อย่าเป็นเหตุของพรือหักหรือบรรพชิตควมมุ่งมั่นอย่างนั้นจึงได้มาชูจุดอันนี้เมื่อมาถึงแล้วจิตใจของเราควรแล้วหรือที่จะปล่อยให้ฟุ้งคลุงไปตามสัญญาอาดีตหรืออนาคตเราจะต้องฝึกกำหนดให้อยู่ให้สงบด้วยอุบายปัญญา วิธีต่างๆเมื่อจิตสอนตัวได้อย่างนั้นทำจริงอย่างนั้นความสงบก็จะเกิดขึ้นเห็นขึ้นเมื่อเห็นความสงบก็เห็นความสุขนี่คือการฝึกจิตฝึกใจของตัวเมื่อเห็นความสุขแล้วก็ไม่ต้องบังคับบัญชาพอปกติทุกคน ไม่ว่าแต่คนตลอดถึงสัตมันชอบสุขชอบสบายเมื่อเราเห็นความสุขความสบายจิตใจขาดจากนิวรณทั้งห้าสงบระ ง, งับจากกิเลสตัณหาระยะสั้นก่อตามเราก็เห็นอา น, นิสงส์ว่าการฝึกของเรานี้มีอา น, นิสงส์อย่างนี้ความสงบของจิตนี้ เป็นของดีวิเศษอย่างนี้อยากจะเห็นอยากจะเป็นอยากจะทำเชื่อมัน่นมีศรัทธาปษาท ะ, าะเต็มในหัวใจถึงจะฝึกไม่ได้อย่างเดิมก่อตามความเชื่อมั่นนั้นจะไม่มีการถอดถอนเพราะเคยเห็นเคยเป็นอยู่แล้วอยากจะกะทำบ่อยอยากจะฝึกบ่อยนี่ศรัทธาเบื้องต้นที่จะเชื่อมัน่นถึงเหตุถึงผล เพราะจิตของตนได้รับสัมผัสในอาจทมทางปฏิบัติม่เช่นนั้นจิตจะไม่ตั้งมั่นไม่แน่นอนจึงควรฝึกควรสอนตัวเองทาจริงผลจริงจะเกิดขึ้นยังขันส ง, งบระ ง, งับดับจิรเลสตัญหาชั่วระยะเวลานิดหน่อยเท่านั้น ก็เชื่อมั่นได้เป็นศรัทธาที่แน่นหนาขวาข้างไม่วันไว้วอกแวกไปตามสัญญาอารมณ์อย่างง่าได้เหมือนเก่าก่อนเพราะจิตมีลากฐานอย่างลึกลงไปจะถอดถอนขึ้นถอดถอนยากเพราะมันเห็นมันเป็นมันรู้จากตัวเองความเชื่อมั่นในการประพฤติปฏิบัติ ตลอดถึงมรถึงผลในคนที่เคยประพฤติปฏิบัติรู้เห็นเป็นอย่างนั้นเชื่อมั่นจริงจังเพราะเขาเห็นเขาเป็นในใจของเขาถึงจะไม่ทำได้ทุกการทุกสมัยแต่ก็เชื่อมัน่นว่ามรกผลนั้นยังมีอยู่ทำของพระพุทธเจ้าเป็นอาการิโกจริงพอเราประพฤติปฏิบัติขนาดนี้เราก็รู้เราก็ขอใจก็เห็นความสุขขนาดนี้ ผู้ที่ท่านรู้ท่านเห็นท่านได้ท่านเป็นอยู่เสมอไปท่านจะมีความสุขความประเสริฐขนาดไหนเราจึงเคารพเลื่อมใสยินดีเต็มใจในผู้กว่าพืชปฏิบัติไม่อย่างนั้นก็ไม่เชื่อไม่เข้าใจเื่องะ จ, จะจำมาจากํำหรับํำลาเรียนมาได้มาหมมาหาได้อะไรต่ออะไรเยอะแยะกว่าตาม ถ้าจิตไม่ได้สัมผัสในอาจทาด้วยตนเองไม่ได้ฝึกจิตรู้เห็นเด่นชัดมันเป็นสัญญาไม่เป็นปัญญาไม่สามารถที่จะตัดความชั่งสัยของใจให้ขาดออกไปได้ทั้งที่พูดได้แต่ใจไม่เป็นจึงควรฝึกควรอบรมตัวเองให้รู้ให้เห็นอย่าไปเชื่อตามตำหรับตาราถ่ายเดียว อย่าไปเอาจิเลตตัญหามาณทิศจิของตนเข้าไปขวางถ่ายเดียวว่าไม่ําหลับตาลาไม่ถูกถ้าหากจิตของเราฝึกได้อบรมได้รู้เห็นเป็นขึ้นตาลาทุกบททุกบาทที่ท่านบัญญัติเอาไว้เป็นของจริงเพราะจิตของเราจริงถ้าหากเราไม่เห็นไม่เป็น ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติไม่ได้ฝึกหัดตัวเองไม่เห็นไม่รู้จากตัวเองในการกระทำบำทําเพ็ญตํารานั้นเลยเกิดสงสยัยตาลาเป็นโมคะหาสาระอะไรไม่ได้หว่ามากผลสมาธิปัญญาอย่างนั้นอย่างนี้เราฝึกก็ไม่เห็นไม่เกิดไม่เป็นอะไรศาสนาล่วงมาขนาดนี้คงไม่มีอะไรเลื่ยงมากเลี่องผลความสงสยัย ในจิตในใจจะไม่มีวันเวลาที่จะแก่ไขได้ถึงสอนคนอื่นพูดให้คนอื่นฟังอย่างไรก่อตามอธิบายไปได้แยบคายขนาดไหนก่อตามความสงสัยภายในใจความไม่ได้รับสัมผัสจากอัดําภายในใจนั้นพ่อทราบได้จากตัวเองเพราะไม่มีอะไรเป็นเครือกรับในโลกของรับไม่มี สำหรับตัวเองเราส ง, งบเราก็ทราบว่าเราส ง, งบถึงไม่พูดให้คนอื่นฟังเราก็คอยใจในตัวเราไม่เคยส ง, งบเลยแต่จจำสาหรับตำรามีมานณทิฐิถือว่าเรารู้เราสลาดสอนเข้าไปเขาให้ชื่อว่าเป็นครูเป็นอาจารย์ก็ถือว่าตัวดีตัวเด่นแล้วเยังแค่นั้น ถือเป็นเรื่องพอใจถือเป็นเรื่องดีเรื่องดีแต่อาจทําจริงจังไม่มีในใจตัวของคนคนนั้นทราบ ด, ดีทราบจากความเป็นของตัวเองแต่ไม่บอกคนอื่นเพราะกลัวจะเสียเล่หเหลี่ยมอย่างนั้นอย่างนี้วเวลาวดมาระยะนานปีเขาน้ำหน้าถือตาว่าเป็นกรรมฐานเป็นครูบาอาจารย์ที่สําคัญก็เลยเบ่งเลยทําท่า แต่ถึงจะขนาดไหนก็าตามผู้รู้ทั่วไปที่มีความเห็นความเปลี่ยนภายในใจทราบได้ว่าคนนั้นได้จากตำหรับตำลาได้จากสัญญามาสอนไม่ใช่ได้จากการประพฤติปฏิบัติถึงจะเทศแนะนำพร่ำสอนในการปฏิบัติก็ไม่เข้าถึงขั้นที่ ผู้ฝึกอบรมรู้เห็นเป็นจริงแล้วถึงใจของคนคนนั้นเพราะใจของท่านผู้เทศไม่เคยเห็นเคยเป็นเยงจำมาพอจะเข้าได้เข้าเข้มจริงจังก็หลุดไปเสียจุดที่เรารู้เราเห็นเรา้อใจนั้นผู้ได้จากจำหรับํำลาหรือมุ่งหน้าจะสอนคนอื่นแต่ตัวไม่เป็นนั้นผู้ประพฤติปฏิบัต ที่รู้เห็นเป็นจริงทราบได้พอเอ่ยปาสอนธรรมะแต่เขาก็สอนไปถึงที่สุดมิมุสนิพานเหมือนกันแต่มันเข้าได้เข้าเข็มไม่ได้สอนไปด้วยสัญญาจำมาสอนไปด้วยความคุมเดาว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ผู้ที่ท่านรู้ท่านเห็นท่านเข้าใจชัดเจน ด้วยการเพื่อเพื่อปฏิบัติไม่อย่างนั้นผู้ฟังที่รู้เห็นด้วยกันเคยฝึกปฏิบัติกายใจมาด้วยกันเข้าใจแยบคายในธรรมะดีแล้วเพราะเอ่ยขึ้นเท่านั้นวัดได้ทีเดียววัดท่านรู้ท่านเห็นท่านเป็นจริงเคยปฏิบัติผ่านมารู้มา จึงนำธรรมะอย่างนี้มาสอนมันถึงใจมันเข้าใจในผู้เทศผู้ฟังเข้าใจแต่ผู้ฟังมีหลักอัดทำจริงจังมีประหลอดเสื่องวัดการปฏิบัติจึงเป็นเรื่องสำคัญใครเล่าจะมาปฏิบัติให้เราจะคอยการใดเวลาใดสมัยใดอยู่บ้านอยู่ช่อง เพราะว่าสถานที่ไม่เหมาะสมมีสิ่งที่กอกวนประพฤติปฏิบัติยากลำบากเมื่อมาบวชเป็นพระเป็นเนรหรือเข้าถึงป่าถึงที่สงบสงัดแล้วมันจะออกไปแง่ไหนมุมใดอีกเรื่องความคิดความปุุงทองใจีิเลตตันหามันภายในใจมันจะมาขัดขวางวิธีใดดูมัน ให้ทราบนาว่านี่เป็นมารสําหรับถัดขวางการประพฤติปฏิบัติของตัวถ้าเราเชื่อมารก็ไปตามพระพุทธเจ้าไม่ได้ถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าเรามีอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างในตัวของเราสมบูรณ์ไม่มีอะไรขาดตกบกพ่องเรื่องกายจิตใจพนะิจารณามันก็มีเวทนาจิตธรรม สติปัญฐ า, าทั้งสมมี่มมมสมบูรณ์อริยสัจทั้งสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคมันก็สมบูรณ์เหมือนกันแต่้วยส่วนใหญ่มันสมบูรณ์อยู่สองอย่างที่เรายังไม่ผุดพืชปฏิบัติคือทุกและส ม, มุทยัยสิ่งที่ผิดทุกให้แก่กายแ่ใจของตัวอันนี้มีสมบูรณ์บริบูรณ์ นี้โลดความดับทุกเป็นอย่างไรเพราะยังไมไ่ตั้งใจปฏิบัติหรือตั้งใจปฏิบัติแต่ยังไม่เห็นไม่เป็นก็ยังสงสัยเมื่อเห็นเมื่อเป็นภายในใจของตนด้วยการปฏิบัติถูกเดินมรรคถูกเดินทางถูกทุกขี่ควันกำหนดรู้กำหนดรู้เข้าใจชัดเจนสมุทยัยความสุง ปรุงข้องใจที่ก่อควนตัวเองให้เกิดทุกข์ควรละละได้จริงเพราจิตสงบเพราจิตระงับไม่ได้ติดได้คล้องได้ยึดได้ถือได้แบกได้หามมันปล่อยมันวางทุกสิ่งทุกอย่างไปนี่คือใจสงบเพียงแค่นี้ นั่นก็ได้ชื่อว่านิโรธแต่ไม่ใช่นิโรธที่เป็นนิสเป็นสมมติเศษเป็นนิโรธระงับดับทุกให้เห็นในการประพฤติปฏิบัติหรือเรารู้เราเห็นเด่นชัดว่านี่นิโรธที่ไม่มีการกลับปอกหลอกลอนอีกจิตของเราก็รู้ก็ทราบตามขั้นตามระยะจนหายสงสัยไม่มีอะไร ที่จะมาปิดบังก่อขวนจิตใจนี่ก็เกิดจากการประพฤติปฏิบัติอริยสัจ ท, ทั้งสี่มีสมมูรณ์ไม่ว่านักบวชหรือคารวะจึงเป็นหน้าที่ของทุกคนผู้ต้องการมรรคผลต้องการความสุขจะประพฤติปฏิบัติอย่าไปอ่างการอ่างเวลาโดยส่วนใหญ่มันเป็นเราตามจิเลดตัณหาตาม เรื่องสังคารามานมาระยะยาวนานเลยไม่ทันในเรื่องของมันสักทีอยู่นี้ว่าอยู่นูน้นไปนั่นเจียก่อนจึงจะตั้งหน้าตั้งตาฝึกลักษาประพฤติปฏิบัติเอาจริงเอาจังพอไปถึงนั้นมันไปอีกแล้ววอาอยู่นูน้นที่เราจะเอาจริงเอาจังไปอยู่ที่ไหนก็กลุ้งไปขังหน้า ไม่ตั้งจิตตั้งใจเอาจริงเอาจังใหง้ไปทั่วประเทศไทยทั่วโลกมันกโกโกหกเราเรื่อยไปเพราะเราเชื่อเรื่องของมันถ้าหากเราคิดได้ว่าอันนี้เราเคยเชื่อมันแต่มันกโกโกหกเราอยู่ที่นั้นว่าจะไปที่นั้นเทียก่อนจิงจะทำไปที่นั้นมันก็ส่งไปทิ่นโน้นอีกเมื่อมันเป็นอย่างนี้ เราเคยติดตามหรือทามาแบบนี้ไม่มีอะไรดีขึ้นให้เราอยู่ที่ไหนเราจะตั้งใจประพฤติปฏิบัติที่นั่นจะเอาจิงเอาจ้างให้เห็นให้สุขให้สบายให้สงบเราจะไม่เชื่อเรื่องความปรุงความชิดเรื่องทั้งขานของจิตที่เป็นมาลหลอกลวงตัวของเรามา ตั้งหน้าฝึกอบรมจริงจังจนเห็นผลในการสะพืดปฏิบัติเมื่อเป็นอย่างนั้นเห็นผลแล้วเข้าใจแล้วด้วยจิตของเราเข้าถึงธรรมธรรมเข้าถึงจิตความเชื่อมัน่นความอัศจรรย์ความสุขที่ไม่เคยเกิดเป็นเห็นรู้ได้ไปจากแล้วในจิตของเราเราก็ไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับการกับเวลากับสถานที่ เพราะมันมีอยู่ในตัวของตัวตัวไปสถานที่ใดมันก็ติดไปด้วยผู้ที่เห็นที่เป็นที่รู้ที่เข้าใจอย่างนี้ท่านจึงเรียกว่าสุขคัสโตอยู่สถานที่ใดมีความสุขไปสถานที่ใดมีความสุขไม่ว่าสุขตั้งแต่ตัวของท่านคนอื่นตลอดสัตว์ก็มีสุขไปด้วยเพราะท่านไม่เป็น ฆ่าศัตรูต่อสิ่งอื่นสิ่งใดซึ่งจะทำให้เขาเดือดร้อนกายใจของเขานี่คือผู้ประพฤติปฏิบัติถึงอาจทมท่านมีคุณค่ามีประโยชน์ต่อโลกพูดง่ายๆก็โลกกายโลกใจของท่านโลกอื่นถ้าหากทุกคนเป็นอย่างนี้จะสงบสะดวก ดีขนาดไหนจะไปหาสถานที่ใดกว่ามากกว่าผลกว่านิพพานเพราะท่านเห็นอยู่กว่าเป็นนิพพานไปกว่าเป็นนิพพานเพราะนิพพานอยู่ในใจความดับสนิทของกิเลสตัณหามาหน้าทิศขิซึ่งเคยเป็นเจ้าของหัวใจมา ท่านในพิจารณาฝึกอบรมสอนจนจนเห็นผลคือความพ้นจากทุกพ้นจากโทษพ้นจากสมมติจิตใจของท่านลายเป็นวิ ม, มุตติบริสุทธิ์ผ่องใสอยู่ทุกระยะเวลาดับสนิทในเรื่องของกิเลสตัณหาไม่ได้รบกวนวุ่นวายติดข้องจะไปหาสถานที่ใดนิพพานจะปรารถนาอะไรอีกนิพพานก็ไม่ปรารถนา เพราะเหตุใดถ้ายังปรารถนาอยู่ก็ยังไม่รู้เรื่องของพระ น, นิพพานจะมีอะไรอยากจะมีอะไรปรารถนาจะมีอะไรต้องการภายในความบริสุทธิ์นั้นมันหมดทุกอย่างไปสมมติที่ว่านิพพานก็เพียงสมมติต่างหากความเห็นความเป็นที่เรียกว่านิพพานนั้นคืออะไรถ้าหากเรายังไม่ เห็นไม่เป็นก็ยังเกิดสงสัยถ้าหากเราเห็นเราเป็นก็ไม่มีอะไรที่จะสงสัยชื่อกับตัวจริงมันผิดกันเมื่อไปเห็นตัวจริงแล้วก็ไม่ต้องสงสัยในชื่อนี่เราตัวจริงก็ยังไม่เห็นชื่อก็ยังไม่แจมแจ้งในจิตในใจเหตุ น, นั้นจึงมีการสงสัย การประพฤติปฏิบัติจิตใจทางพระพุทธศาสนาจึงเป็นการแก้ปัญหาความชั่วเสียต่างๆสงสัยต่างๆให้หมดไปเพราะใจของตัวเองเห็นใจของตัวเองรู้จึงควรทุกคนจะสนใจฝึกอบรมเพราะหน้าที่ของนักบวชโดยส่วนใหญ่ ก็ไม่มีการงานอะไรเรามารักษากายรักษาใจคมฉี่จิเลสเรามาประพฤติปฏิบัติเพื่อให้ตัวของเราได้รับความสงบสงัดได้รับความสุขไม่ ใ, ใช่มาบวชเรียนเพศเป็นพระเป็นเนรเท่านั้นทาหาทุกท่านสอนตัวและฝึก อบรมตัวของตัวละชั่วบำเพ็ญดีถูกต้องตามหลักของศีลสมาธิปัญญาทุกคนจะมีความสุขความเยือกเย็นเป็นสารณะของโลกได้เป็นเนื้อนาบุญของโลกได้ตัวเองไม่ตำหนิตัวเองคนอื่นที่รู้ที่เข้าใจก็ตำหนิไม่ได้เพราะกายวาจาใจบริสุทธ อา น, นิสง์ของการประพฤติปฏิบัติเป็นของที่จะประจักษ์ชัดในตัวของตัวเองฉะนั้นจงตั้งหน้าตั้งตากระทำบำเพ็ญให้เห็นให้รู้ถ้าเราไม่ทำก็ไม่มีคนอื่นจะหยิบยกความสุขความสบายความดีวิเศษมาขนมาให้แก่เราเพราะเป็นหน้าที่ของแต่ละคน เหมือน ก, นกันกับทานอาหารคนอื่นจะทานแทนกันไม่ได้ถึงจะเฝ้าภาชนะอาหารอยู่ถ้าเราไม่ทานก็ไม่มีการอิ่มขึ้นนี่ใจจะหิวโหวยอยู่อย่างนั้นเรื่อยไปจนผลที่สุดคนที่ไม่ยอมทานเสียเลยก็อาจล่มหายตายไปเพราะไม่ยอมทานชั้นใดการ มาบวชหรือการมาฝึกภาวนาการมาอยู่กับหมู่คณะฝูกกับเพื่อปฏิบัติถ้าเราไม่ทําไม่ฝึกไม่ปฏิบัติตัวเองคนอื่นท่านรู้ท่านเข้าใจท่านสุกท่านสบายอย่างไรจะไม่มีผลอะไรมาสู่ตัวของเราตัวของเราเคยมีจิตเดชตัณหามาณทิฐิอย่างไรจิตเดชตัณหามาณทิฐิอย่านั้นจะไม่ตกไป เพราะการใหม่ประพฤติปฏิบัติถ้าการประพฤติปฏิบัติมีมีสติรักษามีปัญญาแน้สอนรักษาจิตฝึกจิตอบรมจิตของตัวจิตที่เคยชั่วเคยเสียเคยฟุ่งเคยปรุงจะส ง, งบรังนับเห็นไปจากชัดเจนภายในตัวของตัวไม่ได้ต่ํานี้ชีวิตของตัวเป็นโมกฆะ ไม่เสียใจให้ตัวว่าวันเวลาผ่านไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่คือการฝึกการปฏิบัติกายใจของพวกเราฉะนั้นขอทุกท่านจงหมั่นพินิจพิจนนารณาตั้งหน้าตั้งตาศึกษาอบรมแนะสอนตัวเองฝึกหัดกายวาจาจิตอย่าลุ่มหลงเพลิดเพลินออกจากวง ของศาสนาคือธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนถ้าห่วงโลกกินดีโลกเพิดเพลินอยู่ในโลกธรรมะจะไม่เกิดขึ้นจะไม่เป็นขึ้นรายะเวลาที่จิตของเรายังไม่มีสมาธิอย่าปล่อยจิตจิตปรุงไปขังหน่อให้มากแทนที่จะเกิดปัญญาละกิเลสจิตจะเศ้าหมองคุณมัว เกี่ยวกวกับจินเหเล็ดทำให้ตัวเองเดือดร้อนวุ่นวายเป็นทุกข์เราจึงควรสงวนควรรักษาทำจิตให้เป็นสมาธิลงรวมหนักแน่มั่นคงเสียก่อนปัญญาระยะที่มีสมาธิแล้วเราคิดปรุงไปอะไรแทนที่จะไปติดข้องในใจเหมือนก่อน มันเป็นสิ่งที่ถอดถอนเห็นจริงไปจากในสิ่งนั้นนั้นละไปได้มันไม่ติดไม่ข้องเหมือนจิตใจที่ขาดปัญญาสมาธิระยะนั้นท่านจึงเรียกว่าวิปัสสนาคือใจมีพื้นฐานของสมาธิท่านคิดเพื่อแก้เพื่อไขท่านคิดเพื่อหากำไรจากการคิดการปรุงไม่เหมือน จิตที่ไม่มีสมาธิคิดไปเท่าไรหนับวันที่จะฟอกนับวันที่จะเสียนับวันที่จะหลงนับวันที่จะติดจากข้อนี่คือจิตในขั้งที่ยังไม่มีสมาธิท่านจึงให้ฝึกจิตให้มีสมาธิจึงจะเกิดปัญญาปัญญานั้นก็เป็นมรรคทางดําเนินไม่ใช่ความบริสุทธิ์ยังเป็นทางอยู่มันยังคิดยังปรุงยัง แก่ยังไขในสิ่งที่จิตยังสัมผัสติดขอ้อจิตยังไม่หลุดจากโลกจะต้องแก้ไขเรื่อยไปจนถึงจุดจบมันก็หมดสงสยัยไม่มีอะไรที่จะเป็นปัญหาต่อไปนั่นจะเรียกว่าปัญญาไม่ถูกว่าอะไรไม่ถูกเพราะความหมดจดบริสุทธ ันเป็นเอกไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องอีกพุทโทเต็มดวงเต็มที่ก่อถูกแต่ว่าความบริสุทธิ์หรือวิสุทธิธรรมมันก่ถูกถ้ามันเป็นถ้ามันไม่เป็นจะว่าจนแจวหูคนอื่นแตกหรือปากตัวเองฉีกมันก็ไม่เป็นจึงควรฝึกควรอบรมควรแนะนตัวเองการฝึกจิตมันฝึกได้ ผู้ที่ท่านเห็นท่านเป็นท่านรู้ท่านก็ฝึกมาลำบากอยากเย็นเหน็ดเหนื่อยเมื่อหิวเหมือนกันกับเราแต่ท่านทําไมท่านจึงฝึกไดก้เพราะท่านเอาใจใส่ท่านต้องการความสุขความสบายภายในใจจริงจังเราจะมาทําเล่นๆให้จีเนียตัวเราะมันไม่สมควรแก่นักบวชไม่สมควรแก่ที่ประจิญญาณตนว่า ถึงพระพุทธเาจ้าพระธรรมพระสงฆ์พยายามสอนตนอบรมตนฝึกสอนอยู่บ่อยๆ อ, อย่าปล่อยให้หาดสติหาดปัญญาไปเกี่ยวข้องในอารมณ์ซึ่งเป็นกินลเลสตัณหาละลอกอยู่สม่ำเสมอว่าเราเป็นสมณะผู้สงบจากชั่วจากกรรม พยายามทำไม่ลดละความสุขถึงเราปาฏถนาก็จะเกิดขึ้นการที่บายทำก็เห็นว่าพอต้องกวนเจรเวลาพอยธิ จ, จิดเพียงแค่นี้เอวัง